ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รงประพตธยานในวันนี้คงประรบเรื่องการบริหารจิตอีกเช่นเคยในอานาปานสติกรรมฐานซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสแสดงหลักการปฏิบัติที่เป็นเบื้องต้นไว้โดยลำดับดังที่กล่าวแล้วการตั้งสติลึก ดูลมหายใจเข้าโดยลมหายใจออกโดยทรงสอนว่าเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าขณะ น, น, น, น, น, นี้เราหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่าขณะนี้เราหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าขณะนี้หายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าขณะนี้เราหายใจออกสัน้นองค์กรรมฐานที่จะต้อง ปฏิบัติเป็นเบื้องต้นก็คือการตั้งสติระลึกดูรมอยู่โดยในยะนี้แต่บางครั้งเพื่อเลือกให้อารมณ์ที่เรียกว่าเป็นสัปปายะคือได้ธรรมะสัปปายะตามพื้นฐาน C, อินทรีย์อัตยาศัยของบุคคลที่แตกต่างกัน กาจะอาศัยวิธีอื่นเข้ามาเป็นบทภาวนาโดยมุ่งที่จะให้เกิดความสงบเป็นเบื้องต้นไว้ก่อนแล้วค่อยๆดำเนินไปโดยลำดับแต่การจะเปลี่ยนบทภาวนานั้นบางครั้งท่านก็สอนให้เลือกดูว่าชชยวิธีใดใจเรา ส, สงบได้ดี เราใช้วิธีนั้นจนมาถึงจุดหนึ่งเราตั้งสติดูที่จุดซึ่งลมกระทบลักษณะก า, ารดูลมกระทบนั้นก็ดูว่าลมกระทบตรงไหนกระทบปลายจมูกริมผีปากบึ้งบนหรือช่องจมูกก็ตั้งสติลเลึกดูอยู่ที่นั่นถ้าดูประมาเหมือนกับ คน้าประตูจะมีหน้าที่รู้ว่าใครเข้าออใครออกแต่ไม่ต้องตามไปรู้ว่าคนที่ออกไปแล้วไปที่ไหนหรือเข้าไปแล้วไปที่ไหนก <c oughs> ถจะเป็นอย่างนั้นจิตก็แล่นในที่นี้ท่านมุ่งสอนให้จิตส ง, งบอยู่กับมารมณ์นั้นระาการปฏิบัติ โดยวิธีนี้จึงอาจจะใช้บทภาวนาต่างๆอย่างที่ทราบกันบทตอนนี้ถือว่าเป็นอุบายวิธีที่จะดึงจิตของตนให้มีที่เกาะที่ยึดเหนี่ยวไว้เป็นเบื้องตน้นและเมื่อปฏิบัติดำเนินไปบุคคลก็อาจจะพบกับความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆภายในจิต ความเปลี่ยนแปลงนั้นอาจจะออกมวามในรูปของสิ่งที่เรียกว่านิมิตคือการเป็นการเห็นภายในสมาธิอาจจะเป็นแสงเป็นภาพตามปกติแล้วจะเกิดขึ้นจากสัญญาในอนดีตสิ่งเหล่านั้นได้ถูกเก็บไว้ภายในใจ ในใจมันเกิดความสงบขึ้นในระดับหนึ่งทํานองคล้ายๆกับบุคคลเอาของไปเก็บไว้ในที่ใดที่หนึ่งหรือของประโยน์ไว้ในบอ่อน้ําพอน้ำมาเริ่มใส่บุคคลมองไปที่ในบอ่อเกล็นสิ่งที่ตนเคยโยนไว้มันก็ระลึกได้ว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นโยนไว้เมื่อ น, นั้นเป็นต้น ภาพนิมิตเหล่านี้เป็นเครื่องหมายแสดงถึงผลของการปฏิบัติว่าได้เดินมาถูกทางท่านเองแต่ท่านไม่สอนให้ปิดจิตในภาพนิมิตเหล่านั้นแม้จะดีพิเศษอย่างไรก็ตามแต่เป็นเครื่องวัดถึงสมาธิยกตัวอย่างเช่นว่าเห็นสีสีที่ปรากฏนั้นจะเป็นเขียวเหลืองแดงก็ตาม แต่ลักษณะสียังทึบๆอยู่ก็หมายความวาสมาธิยังอ่อนแต่เมื่อสีเปลี่ยนแปลงไปจนโปร่งใสเป็นความงามที่แม้นิยามปกติคือดูด้วยตาธรรมดาก็ไม่มีภาพในลักษณะนั้นจะเป็นการบ่งบอกให้ทราบว่าสมาธิมีความแนบแน่นมากยิ่งขึ้น ในการปฏิบัติ บ, ตบางครั้งก็ได้สัมผัสองค์ฌานในชั้นใดชั้นหนึ่งเช่นว่าความตรึกของบุคคลก็อยู่ที่บทซึ่งตนบริกรรมปรอยู่ในสิ่งที่ตนตั้งสติระลึกจุเพราะจริงวิตกหรือความตรึกก็เป็นอาการของสติแต่เป็นลักษณะของการเนียวนึก อยู่ในเรื่องเหล่านั้นพอเนียนนึกต่อนเนื่องไปก็เป็นสติบ้างเป็นวิจารบ้างอาการความคิดต่างๆที่เคยแล่นไปในรมณ์ อ, อาจจะน้อยลงน้อยลงกว่าปกติก็ถือว่าเป็นอาการขององค์ชาญปรากฏบางขณะมีความอึบอิมปรากฏขึ้น คล้ายๆก็ดีใจลักษณะของความอาึดอิ่มที่ท่านเรียกว่าปีตินั้นอาจจะปรากฏทางกายก็ได้ทางใจก็ได้ทางกายจะรู้สึกเยือกเย็นไปในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือว่าทั่วทั้งกายบางครั้งก็ต่อเนื่งบางครั้งก็เป็นพักๆบางครั้งก็เพียงวูบหนึ่งบางทีก็มีอาการ ตื่นตันใจอึบอิ่มใจจนตื่นตันใจน้ำตาไหลบางครั้งอาจจะรู้สึกว่ามีขนพองในจุดใดจุดหนึ่งหรือหลายหลาจุดบางทีก็บนศีรษะรู้สึกยืกเย็นบนศีรษะเป็นต้นนี่ก็เป็นอาการของอิติอ่อนบ้างมากบ้างบางครั้งก็อยู่นานบางครั้งก็อยู่ไปนาน เป็นเพียงเครื่องหมายถึงความสงบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติและบางขณะก็รู้สึกเป็นสุขอย่างต่อเนื่องที่ปรากฏทางกายทางใจทุกเวทนาที่เกิดขึ้นจากกิริยาบทจงการนั่งที่เคยปวดเมื่อยก็หายไปอาจจะหายไปชั่วขณะหรือหายไปนานหน่อยแต่จิตเริ่มตั้งมั่นมากยิงขึ้น นี่ก็เป็นอาการของสมาธิที่เดินหน้าต่อไปคือสัมผัสองชานหยับหยับแต่บางขณะก็เกิดอาการลมหายใจเริ่มแผ่วเบาลงในข้อนี้พระ้เจ้าก็สงสอนในชั้นที่สามในชั้นที่สามนั้นคือให้รู้วิบบกองลมทั้งปวง หายใจเข้ารู้กองลมทั้งปวงหายใจออกเราอาจจะมองได้หลายตอนตอนแรกก็คือการตามลมไปหลังที่กล่าวแล้วทั้งช่วงหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกเรียกว่ารู้ต้นลมกลางลมและปลายลมต้นลมขาเข้าก็คือจุดที่ลมกระทบตอนเข้าไป ต้นลมขาออกก็คือจุดตั้งต้นที่เนหนืออาภีขึ้นมาบางทีก็ดูที่ลมซึ่งเป็นทางผ่านตามปกติก็จะเห็นได้ชัดในช่วงผ่านหหหรือัอวใจเป็นการดึงสติให้แนบอยู่กับลมตลอดกาน เพื่อไม้พลากไปจากรมตาลองใกล้ๆ ก, ก, ก, กับคนถูพื้นหรือรีดผ้าหรือใสคกบไม้เวลาถูพื้นผ้าที่ถู ก, ก็แนบไปกับพื้นรีดผ้าเตาก็แนบไปกับผ้าใส่กบไม้ไอ้กบก็แนบไปกับไม้เป็นการแนบในลักษณะต่อเนื่องไปแตะเมื่อกำหนดรู้โดยในลักษณะนี้ เราจะมาตั้งสติไว้ที่จุดขาเข้าหรือออกก็ดูเฉพาะจุดที่ลมกระทบดังกล่าวแล้วปฏิบัติไปปฏิบัติไปนั้นถึงจุดหนึ่งซึ่งมักจะมีปัญหาจ่าว่าบางครั้งอาจจะรู้สึกว่ามืนศีสษะรู้สึกไม่สบายท่านก็แนะให้ พยายามอย่าไปเพ่งอารมณ์คืออย่าไปอยากสงบถ้าตามปกติบางครั้งอาจจะมีการสะกดจิตตัวเองทามานานแล้วไม่ยอมสงบก็พยายามไม่สงบเมื่อไม่ยอมสงบก็าบังคับให้เกิดสงบเมื่อบังคับมากเข้าก็าเกิดความตึงเครียดในส่วนของกายและส่วนของจิตก็จะทำให้ เกิดจากการมึนศีรษะขึ้นมาได้การปฏิบัติท่านจึงบอกว่าให้ได้สปายะเกิดเป็นไปโดยธรรมชาติธรรมดาผู้ปฏิบัติมีหน้าที่ในการตั้งสติกำหนดรึกดูจะใช้อารมณ์ข้อใดก็ตามก็มีหน้าที่ท่านั้นส่วนความเปลี่ยนแปลงนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัย แลยขึ้นอยู่กับบา ร, รมีธรรมในอดีตของบุคคลคนบางคนนั่งไม่เท่าไรก็สงบแล้วคนบางคนนั่งตั้งนานยังไม่สงบนั่งต่อเนื่องกันมาก็ยังไม่สงบแต่ราอนี้เพิ่งเข้าใจว่าการนั่งแต่และคราวนั้นที่จึงมีอาการสงบก็รปรากฏพอสมควร แต่ก็มีกำลังน้อยจึงไม่สามารถสัมผัสได้ก็ต้องอาศัยการใช้ความเพียรพยายามกระทําเก็บสะสมบ่อ ย, อยๆ่อนที่โอกาสจำหนุวยให้ไดป้ประเด็นสำคัญก็อยู่ที่ว่าในชีวิตประจำวันของบุคคลอย่าไปรับอารมณ์ในลักษณะอุ้มอารมณ์ไปมากเกินไป ที่ทรงชช้คำว่าอย่ารับอารมณ์หมายความอารมณ์ที่จะเพิ่มนิวรณขึ้นภายในจิตไม่สนใจเส้ยบังหรือรับแล้วก็สลัดทิ้งไปบังทั้งส่วนที่ก่อให้เกิดกา r มาฉันในส่วนที่ก่อให้เกิดพยาบาทในการนี้รับแล้วท่านบอกอย่าอุ้มไม้ บางครั้งอาจจะอุ้มไว้คือรับไว้แต่อย่าถึงกับเก็บมาคิดตรึกนึกให้ต่อเนื่องสำนวนท่านชากัำว่าอย่าบางโหนไปอย่าบางโหนขวัญทีนี้อาจจะคิดไปแต่ก็ต้องหยุดความคิดได้ไดจากช่วงเพื่อไม่ให้ความรู้สึกเรานั้นลุกโผงขึ้นเพราะหล่นใจ พอถ้ามาถึงจุดนี้แล้วเมื่อมานั่งสมาธิโอกาสที่จะเกิดความสงบกรรมได้ยากเพราะสมถกรรมฐานนั้นเป็นอุบายวิธีที่จะให้สงบนิวรณแต่ถ้านิวรณ์แก่มากช่วงการนั่งสั้นบารมีหนุนน้อยจะให้เกิดความสงบก็ทำได้ยากจงิงนที่จริงก็เป็นกฎเกณฑ์ธรรมดา ไกลยกลับเมฆหมอกมากแสงสว่างน้อยมันจะส่องให้เห็นแล้วก็เห็นยากเรลอไฟมากน้ําน้อยมันก็ดับไม่ได้ตัวสิ่งสกรปรกมากแต่น้ํามาล้างมีจํานวนน้อยก็ล้างไม่ได้ดันั้นการมองกิเลสกับมองธรรมะก็จะต้องเห็นว่าปริมาณก็ธรรมะต้องสูงกว่าถ้าปริมาณก็ธรรมะน้อยกว่า ก็แก้แก้ไม่ได้ดังนั้นเวลาบางทีที่สัดส่วนของกุศลกับอกุศลเกิเกดก่ำมกึงกัน<อ>ก็จะมีการต่อสู้กันภายในใจแล้วใครได้กำลังหนุนมากฝ่ายนั้นก็จะชนะได้ในขณะนั้นๆซึ่งอาจจะเป็นอกุศลชนะก็ได้กุศลชนะก็ได้ แตนั้นท่านหญิงใช้ในลักษณะหนึ่งที่เรียกว่าท่วมทับคือหมายความว่าใล้ยๆกับกระแสน้นําที่บริสุทธิ์แล้วก็มีกําลังมากมีปริมาณมากเมื่อไหลลงมาท่วมทับน้ําที่ขุ่นข้นไกก็จะทําหน้าที่หมุนสลายความขุ่นข้นเหล่านั้นที่นี้กว่าจะสลายได้ปริมาณของน้ําก็ต้องสูง ลำนองใล้ๆก็จะน้ำบริสุทธิ์มาสลายน้ำกรดแต่น้ำบริสุทธิ์มีมากพอก็สลายได้ถ้าปริมาณน้อยอาจจะเปลี่ยนแปลงให้มีอันตรายน้อยลงเท่านั้นแต่จะถือว่าให้หมดสภาพความเป็นกรดก็ทำไม่ได้ธรรมะส่วนกรรมฐานท่านจึงเรียกว่าเป็นพาเวตปฏิทำคือพูดแนวเดียพูดในแนวการเพิ่มกุศล เพรมื่อกุศลที่เพิ่มขึ้นจะทําหน้าที่ขัดเกลาอากุศลเราจะพูดถึงอกุศลก็ได้ไม่พูดก็ได้แต่เป็นลักษณะของธรรมะเองที่เมื่อแกเกิดขึ้นแล้วจะต้องขจัดสิ่งที่ตรงกันข้ามกับตนระนองความแสงสว่างเกิดขึ้นก็ต้องทําหน้าที่ขจัดความมืดน้าสะอาดมาปรากฏก็ต้องทําหน้าที่ขจัดสิ่งที่สกรปรกได้ มันเป็นกฎธรรมชาติอย่างนั้นและบางครั้งเวลาปฏิบัติไปลมหายใจเกิดสงบในกรณี น, นี้บางครั้งคนก็ตกใจส่วนใหญ่แล้วมักจะตกใจเพราะมีความเยื่อใ่ความอะไรในชีวิตอันที่จริงแสดงถึงศรัทธาอ่อนกามฉันกล้านั่นเอง พระพุทธานเนี่ยจะทำหน้าที่สลายสลายก ร, รมฉชันได้แต่ถ้าจะทาแก่อ่อนเกิดไม่เชื่อมั่นใน ห, หลักปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้คือเชื่อเหมือนกันแต่เชื่อไม่มากพอก ร, รมฉชันเป็นแสดงออกมาในความเยื่อใยอานไลยกังวลต่อชีวิตของตนเองแล้วก็รู้ว่า ชีวิตนั้นผูกพั น, นกับลมหายใจเข้าออกพองลมเริ่มละเอียดเข้าวที่เราสังเกตไม่เห็นแล้วก็ลมหายใจขาดก็จะเกิดตกใจแล้วก็เลิกมันเป็นเพียรจะมีลักษณะคล้ายๆกับคนว่ายน้ำพุ่นกระแสขึ้นไปก็ใกล้สิ่งที่ตนจะเกาะยึดเหนียวได้แต่เกิดตกใจอะไรขึ้นมาก็ปล่อยมือ ที่ไหว้น้ำอยู่น้ําก็กระแทกกลับมาตอนนั้นท่านในกรณีเช่นนี้ท่านจะใช้อยู่สองวิธีวิธีแรกก็คือไปนับหนึ่งที่ตรงการถอนหายใจลึกๆตั้งขาเข้าข า, ขาออกในลักษณะต่อเนืงตั้งหายใจเข้านะหายใจออกให้ลึกๆไว้แล้วจะเห็นว่าลมไม่ได้หายไปไหนนั่นก็เป็นวิธีหนึ่ง แต่วิธีหนึ่งไม่ต้องไปทำอย่างนั้นก็ได้คือตั้งสติระลึกดูอยู่ที่จุดซึ่งเคยกำหนดระลึกนั่นเองคนนี้ท่านอุปมาไว้ว่าเหมือนกับคนเลี้ยงโคป้ะจุโคมาหรือว่าต้อนโคมาแล้วโคเกิดหายไปก็ไม่ต้องตกใจ ก็สังเกตว่าโคเคยหายไปแล้วไปดื่มน้าที่ไหนที่ท่าไหนก็ไปดักไว้ที่นั่นแล้วประเดี๋ยวก็จะพบโคก็จะจับมาได้ลมหายใจก็เหมือนการแกปรากดทั้งช่องจมูกทั้งสองพรางก็ตั้งสติระลึกดูอยู่ที่นั้นโดยไม่ปล่อยให้ความวิตกกังวลจนกลายเป็นฟุ้งซ่านกลายเป็นอุต จ, กกจกักจูกระจวิจิเกชาก็ไปเพิ่มนิวรา์อีกสองข้ อ, อขึ้นมา ตั้งสติระลึกดูอยู่นั่นเองเพราะยังไงยังไงเราไม่ตายถ้าตายเราก็ไม่รู้ว่าลมมันหายไปหมายความว่าลมยังมีอยู่เพียงแต่ละเอียดของเท่านั้นเองเมื่อทําโดยวิธีนี้จะถอนหายใจลึกๆทั้งขาเข้า ข, า, ขาออกหรือว่าตั้งสติระลึกไว้แล้วเมื่อลมปรากฏคนจะมีความรู้สึกดีใจ เพราะเรายังไม่ตายความเอิบอิ่มปีติปราโมชก็เกิดขึ้นถ้าปีติปรากฏก็นี่เึิ่งสังเกตว่าในตอนข้างหลังที่มีพระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นรูปบันไดสิบหกขั้นจะอีกสิบสี่ขั้นนั้นถ้าปรากฏก็ดูถ้าไม่ปรากฏก็แล้วไป การกระทาจริงๆก็คือตั้งสติระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าเลยหายใจออกแค่ยาวหรือสั้นก็ตามนั่นคือหลักปฏิบัติถ้าเกิดเปลี่ยนแปลงไปโดยนัยดังกล่าวก็โดแก่ท้าไม่เปลี่ยนแปลงก็แล้วไปหน้าที่ในการบรรยายก็คงอยู่กับลมหายใจเข้าายใจออกเหมือนเดิมในกรณีนี้ถือว่าเป็นชั้นที่สี่ที่ลมหายใจสงบตรงใช้คีว่า กำนรู้ความสงบระ ง, งับแผงกายอย่าสังขารให้ใจเข้ากำหนดรู้ความสงบระ ง, งับแผงกายอย่าสังขารให้ใจออกคาว่าสังขารแปลว่าสิ่งที่ปรุงแต่งแต่ในที่นี้หมายถึงปนปลือซึ่งเราก็ถือว่าปรุงแต่งนั่นเองแด้แก่สิ่งที่ปนปลื้มปรุงแต่งกายให้ดำรงอยู่ได้ เพราะถ้ากายขาดกายยสังขารแล้วกายก็จะดำรงอยู่ไม่ได้กายสังขารก็คือลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเมื่อลมหายใจละเอียดลงสงบลงก็กำหนดรู้ลมโดยนิยะต่างกาแล้วทีนี้ถ้าเมื่อลมปรากฏตนได้ปีติถ้าไม่ได้ก็แล้วไปถ้าเกิดปีติขึ้นมาก็ให้กําหนดรู้ปีติที่บางเกิดขึ้น อาจจะตั้งสติระลึกอยู่ที่ปีติก็ได้แต่ปีตินั้นเป็นเพียงทางผ่านเหมือนกันเป็นประเภทสุกเวทนานัานการจเจริญมาถึงจุดนี้สมมติว่าปีติเกิดขึ้นแสดงว่าใจไม่ได้อยู่ที่กายานุปัสนาสติปัฏฐานแล้วแต่ก็เข้ามา อยู่ที่เวทนาอุปัสนาสติปัฏฐานก็ตั้งสติระลึกดูอยู่ที่ปีติาหายใจเข้าและหายใจออกแต่การระลึกดูนั้นไม่ใช่ไประลึกดูทั้งสองอย่างคือไม่ใช่ไปตั้งสติระลึกดูที่ลมหายใจเข้าออกด้วยแล้วก็ไปดูที่ปีติด้วยอย่างนั้นก็วิ่งกันใหญ่ความสงบก็ไม่เกิดจะดูอะไรก็ดู ตั้งสติระลึกดูอยู่ที่ปีติในจุดนี้บางครั้งประกายของปัญญาแก่ๆกล้าขึ้นมันอยากดูปีติตลอดก็ดูไปเลยถ้าดูไปก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของปีติปีติมีอยู่หลายลักษณะบางทงบางครั้งก็ปีติเป็นขนาดขนาบางครั้งก็แผลสั้นไป บางครั้งค้ายๆจะรู้สึกว่าตัวลอยไอ้ตัวลอยโดยปกติส่วนใหญ่ก็เรียกว่า99เปเซ็นเป็นอาการลอยของจิตไม่ใช่ลอยของกายแต่เรามีความรู้สึกว่าคล้ายๆกับมีกายหนึ่งที่ลอยขึ้นไปจากกาย ซึ่งอาการเหล่านี้เวลาทําได้เต็มที่แล้วก็แก้จริงๆที่ท่านเรียกว่ามาโนมยิทธิซึ่งพระพุทธเจ้าทรงอุ ป, ปมาว่าเหมือนกับการถอดไอไส้า ย, ยาปล้องออกจากยาปล้องสํานวนปัจจุบันท้านอาจจะใช้คําว่ากายชิดพระเจ้าทรงใช้คําว่ากายอื่นจากกายนี้ในความเป็นกายที่ซ้อนกายกันอยู่อาจจะแยกออกไป สำรวงแกล้ๆ ค, ความขวันที่ปรากฏในขณานับถ้าเกิดอาการเหล่านี้ก็ไม่ต้องตกใจเป็นการก็ตั้งสติแล้วลึกดูไปเฉยๆเพราะนั้นเป็นเพียงอาการของปีติที่ท่านเรียกว่าโลดโผนอาการลอยขึ้นของร่างที่ซ่อนร่างอยู่ก็ดูไปอย่างนั้นท่านรู้ฟังทั้งหลาย ในหลวงพระพุทธดานในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง่องามภัยบูตรในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี